พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวกแวกเรามันเคยเป็นวอกเป็นลิงมาแล้วนับถาดไม่ทวนเมื่อมาได้เกิดเป็นคนแล้วก็อย่าให้มันมี อย่าเอานิสัยลิงนั้นติดมาให้เอาทิ้งเสียใจที่กลับกรอกหลอกหลอนเนี่ยก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจนี่เราได้เกิดเป็นคนมาแล้วเราต้องยึดเอาความสัตย์นั้นนะมาไว้เป็นเพื่อนกับชีวิตของตน คนใดถ้าไม่เคารพต่อความสัตย์แล้วทําอะไรก็ไม่สําเร็จศึกษาเล้วเรียนก็ไม่สําเร็จภาวนาสมาธิก็ไม่สําเร็จรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ทิ้งความสัตย์ซะอย่างเดียวแล้วไม่ไหวเลยแค่การปฏิบัติสมถภาวนาขอเหมือนกันนะ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องนั่งอย่างนี้นะเว้นเสียแต่มันเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะนั่งได้หรือว่ามันนั่งนั่งได้ช่วระยะหนึ่งก็เอา อ, อย่างนี้ตั้งใจลงไว้นี่เรากำหนดกันว่าสามทุ่ม ให้ปิดไฟแล้วทำความเพียรทางคิดใจแต่สังเกตวบางกุฏิบางหลังในยังจุดไฟอยู่ไม่เปิดไฟฟ้าก็จุดไฟเทียนเลยสามทุ่มไปถึงสี่ทุ่มนู้นอันนี้มันละเสียซึ่งความสัตว์มันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลย การปฏิบัติทาง จ, จิตใจก็ตั้งแต่ย่ำค่ำไปจนถึงสามทุ่มนี่จะทำธุระอะไรก็ทำลงไปแต่ว่าต้องทำธุระในการดูหนังสือบ้างท่องเบาๆบ้างเท่านั้นจะทำอย่างอื่นไม่ได้เช่นถักตีนบาทนี่ไม่ได้ไม่ใช่ธุระคือจะไปทำ ถ้าหาว่ามีกิจที่จะท่องบนหรือจะดูหนังสืออย่างนั้นแล้วก็ทำไปตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสามทุ่มเมื่อถึงสามทุ่มเราก็ปิดไฟทำความเพียรทาง จ, จิตใจนี่มันพอดีพอดีแล้วนี่นะเอาทำความเพียรอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มก็จำวัดพอตีสองก็ตื่น ขึ้นทำความเพียรอตีสามครึ่งก็เตรียมตัวมาศาลาพร้อมเพียงกันทำวัดสวดม น, นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่กันไปจนสว่างอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นอุบายวิธี ที่ดีอยู่แล้วนะไม่ควรที่จะไปให้พลาดจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เพราะมันเป็นการฝึกใจม่ให้มันละหลวมถ้าหากว่าไม่ได้ทำความเพียรติดต่อกันไปอยู่อย่างนี้ใจมันอาจจะเลื่อนลอยไปในที่อื่นนูนะ่นมันสงบลงไม่ได้เพราะสำหรับผู้ ฝึกใหม่ผู้ที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้นะมันก็ต้องได้พึ่งหมู่ต้องฝึกรวมหมู่ไปก่อนความหมายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้วอย่างนี้แม้จะทำความเพียรด้วยตนเองมันก็เป็นไปได้แต่ผู้ที่คิดว่าพึ่งตัวเองได้มันก็ต้องเผื่อหมู่วะนี่นะ ก็ต้องมานาหมู่เข้าไปมันก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องเพื่อต้องเพื่อคนหมู่มากเป็นอย่างนั้นต้องให้คิดไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวเราอยู่ด้วยกันหมู่มากนั่นนี่ยต้องคิดไว้ให้ดีเรื่องนี้นะ ทำอะไรอย่าไปคิดเอาแต่ตัวคนเดียวเราต้องคิดเผื่อหมู่เผื่อคณะอ่าเป็นอย่างนั้นอันนี้นะว่าเป็นความสามัคคีของคนหมู่มากซึ่งพระศ า, าสดาได้ทรงสนสับสนุนเยินยอไว้ในพุทธภาษิตนั่นทรงแสดงถึงอานิสงส์แห่งความพร้อมเพียงสามัคคีกันหมดนี่ หลายแห่งที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ก็ความธรรมะขีพร้อมเพียงกันละความชั่วทำความดีอะไรโมนี่นะก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นความจริงอันบคนุคคลพวกที่มีอินทร์บารมียังอ่อนอยู่นี่นะ เราจะมาทำความเพียรโดยลำพังตนเองให้มันก้าวไปได้นี่ไม่มีทางหรอกขอให้เข้าใจกันแล้วกันแม้เป็นทักบวชเนี่ยกับหมู่นั้นอย่างที่เห็นเห็นกันมาบวชมาแล้วหนีเตลิดเปิดเปิงไปไม่อยู่ในสำนักอุปชาอาจารย์เที่ยวไปตามอำเภอใจอย่างนี้ทั้งที่ตนไม่มีความรู้รอบตัวอะไรเลย ยังไม่ได้บันเทากิเลสให้น้อยเบาบางเลยเอาผ้าเหลืองห่มตัวแล้วก็เที่ยอวอไปปะไปอวดว่าตนได้บวชแล้วนำมีซ้ำพันยังนุ่งห่มผ้าสีกลับเข้าไปพายบาทแบกกรดต่จะกน้โทษโก้เกหลายชาวบ้านเห็นเข้านี่หูพระสุดงคูรู้นะอ่าอย่างนี้เลยเราอยากไปอวดชาวบ้านเขา บวชมาไม่กี่พันสาอย่างนี้นะมันเสือนเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจไว้การที่เราพักพร้อมสามัคคีกันพร้อมกันทําความเพียรอยู่อย่างนี้นะแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็นับว่าพอได้อาศัยอก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนักแล้วก็ไม่ใช่ปื้ดเครืองนักพอดีพอดีอย่างนี้แล้วเขนับว่ามันเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้ประกอบความภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสอันหมกหมมอยู่ในจิตใจนีนะ่ให้เบาบางออกไปการทำความเพียร น, นี่เราก็ต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังของกิเลสว่าถ้าตนเองกิเลสมั น, นมันยังหยาบอยู่ มันมีกำลังกล้าอยู่เนี่ยการทําความเพียรมันก็ต้องเข้มงวดเข้าไปมันต้องให้รู้จักอย่างนั้นเราทําความเพียรขนาดนี้กิเลสมันไม่เบาบางลงเลยอย่างนี้นะก็ทําให้มันหนักเข้าไปขัวนั้น อ, อย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นมันก็ทําให้กิเลสเหล่านั้นอ่อนกำลังลงไม่ได้ถ้ากำลัง ความเพียรหรือกำลังสติปัญญามันพอพอเท่าๆกับกำลังกิเลสอย่างนี้นะมันจะไปกำจัดกิเลสให้บอบางลงได้อย่างไรล่ะเพราะกำลังมันเท่ากันอะ่ะต้องให้คิดต้องสังเกตดูตัวเองอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกาลังปัญญายัางอ่อนอยู่อย่างนี้ มันยังตู้อำนาจกิเลสไม่ได้เราก็พยายามทําความเพียรเข้าไปฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปการฝึกสติก็ห ม, มายความว่าเราเดินไปก็มีสติกำหนดรู้ตัวว่าตัวเดินไปอยู่รู้กายรู้ใจอยู่ไม่ไปรู้เรื่องอื่นพยายามระลึกเข้ามาดูกายดูใจอยู่อย่างนั้นนี่การฝึกสติ ให้มันมาอยู่กับตัวนะอันสตินั้นมีอยู่ทุกคนนั่นแหละเแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นนู้นมากกว่าที่จะระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เมื่อเราลงมือปฏิบัติลงไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องพยายามระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ให้มากกว่าที่เราจะระลึกไปภายนอกนู้นนี่คําว่าปฏิบัติเข้มงวดเข้าไป มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> สัำปะชัญยะก็มาทําความรู้กายรู้จิตตัวเองอยู่นี่รู้กายเห็นกายมันจะแตกจะดับอยู่ถึงมันไม่แตกไม่ดับในขณะ น, นี้ต่อไปมันก็แตกก็ดับต่อไปมันก็แปรปูนไปไม่ใช่มันจะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ต้องรำลิตรีตอง พิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นความเป็นไปของอัตภาพร่างกายอยู่อย่างเนี้เมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้กิเลสที่มันจะคู่คำจิตใจให้เลื่อนลอยไปนั่นมันมันก็อ่อนกําลังลงกระเพราะว่าใจมันเห็นมันเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้วมันก็เบือ่อ มันก็เบื่อก็นายคอมันเบื่อนายต้องไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากลัวว่าจะให้จิตอันนี้เนะี่ยมันเบื่อมันนายเนี่ยมันก็ต้องทําความเพียรเพ่งพินิษเอาจริงจังเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเพียงเ พ, เพียงพิจารณานิดหน่อยแล้วมันจะเบื่อจะหนายนี่ไม่แล้ว ต้องเอาจริงๆ่ยต้องนอนพอประมาณเนี่ยเอาเวลาลุกขึ้นทำความเพียรมากกวัวการหลับนอนนี่ต้องตั้งใจลงอย่างนั้นจริงๆนะมันยิงค่อยจะเห็นโทษอของกิเลสตัณหาและเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ย มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นเรื่องที่จะให้เราดําเนินไปไม่ได้การปฏิบัตินี่นะมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความเอาใจจดจ่ออันนี้แหะสําคัญนะไม่มีอะไรพิเศษซึ่งว่าจะไปอยู่ลี้ลับซับซ้อนอันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างนี้ยไม่มี เรามองเห็นได้อยู่นะแต่เทราว่าใจนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยใครๆก็ยอมรู้จักทางนั้นแหละก็มันแปรปวนมันวันไหวไปมาปรากฏชัดๆอยู่ทุกคนเลยอะ่ะแต่จิตนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายร่างกายอันนี้นะเนี่ยปัญหาที่สำคัญนะ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามน ะ, ะพยายามทำอย่างไรจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายต่อคอาเป็นอยู่ของร่างกายอันนี้อย่างนี้พระบางท่านบางองค์ท่านก็ทรมานจนเอาจนให้มันเห็นทุกข์เท่าภูเขาเรลากอนี่อี่อยนั้นเมื่อมันเห็นทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเช่นนั้น มันก็จึงมาเพ่งดูแลเห็นร่างกายนี่มันแปรปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่ตลอดเวลาไปอยู่นี่มันจะได้เกิดนิติธาความเบื่อหน่ายในทุกอันมีอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปพูดกันให้พิเศษอะไรหมู่นี้ไม่มีเพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากอย่างที่ในธรรมวัดเช้าเนี่ยน ะ, นะะบะฮุลาปวัตติรูปังอานิจังเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาสังขาราอานิจจาวิญญาณังอานิจังมูนี้นี่แหละพระพุทธมีภาพเจ้าทรงแ ส, งสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายส่วนมาก ก็ยกขันห้านี่เนี่ยขึ้นแสดงตักเตือนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีสติสมบัญญยะระลึกเข้ามาดูขันทั้งห้าอันนี้มาสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาให้เห็นความไม่เพียงของสังขารร่างกายอันนี้ด้วยปัญญาของตัวเองอในกเพ่งพิจารณาดูขันห้านี่ ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้แปรปวนไปอยู่อย่างนั้นลักษณะอาการที่มันแปรปวนไปอยู่อย่างนั้นนั่นะคือทุกข์คือความทุกข์ของร่างกายนี่ทรงแนะนำเพื่อจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นทุกข์ในร่างกายอย่างนี้บัด น, นี้เราได้พิจารณาเห็นทุกข์ในร่างกายอันนี้หรือไม่เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาตัวเองดูว่ามันมันยังเห็นบ้างไหมเห็นทุกนี่นทุกกายอะ่ะแล้วก็ทรงสอนให้พุทธริสัชนัยพิจารณาลงไปสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเคยคิดไหมเคยเพ่งพิจารณาเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งในใจไหมอันบนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาหากายหาใจตัวเองอ แล้วก็มาตั้งปัญหาถามตัวเองเข้าไปเห็นหรื อ, อยังละ่ะลักษณะอาการของขันห้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่จิตนี่มันจะว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรน ะ, ะมันมีประจักษ์พยานอยู่จริงๆนี่แหละเอาน้ำมาทำนั่นเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างก็จริงอยู่หรอก แต่เราก็รู้ได้ด้วยสัมผัสนี่กายกับจิตสัมผัสกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นทุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่ทุขบ้างนี่ท่านก็เรียกว่าเวทนาเวทนาคำนี้นะแปลว่าจิตเสวยอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนั่นแหละจิตสวยอารมณ์ที่ที่มันสัมผัสกับร่างกายนั่นนะ่ะ เมื่อร่างกายนี่แปรปวนจิตมันก็สวยอารมณ์อันแปรปวนวันไว้ไปมาเนี่ยทา่านก็วันยัดว่าทุกขเวทนาเพราะว่ามันเหลือทนนะ่ะทนอยู่นิดนี้ไม่ไหวจิตใจนี่นะเมื่อร่างกายนี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งแล้วจิตนี้ก็วันไว้ไปมาในที่สุดมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทาง จ, จิตใจเป็นอย่างนั้น นี่เรื่องลักษณะอาการในความทุกข์นะมันก็ปรากฏอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามันลี้ลับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยไม่ใช่ถ้าเราควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้มันเห็นทุกข์ ต, ต้องอยู่เลยอะอ่ะอาในนี้แหละเว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีใจเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้ว มันก็ไม่เห็นแหละไม่เห็นทุกเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเช่นว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาได้มาแล้วก็ส่งใจออกไปพร้อมกับร้องครวญครางท่าไปอย่างนี้มันก็ได้แต่แค่เป็นทุกข์อย่างเดียวไม่มีปัญญาที่จะมากำหนดรู้เท่าทุกขตามเป็นจริงนั้นเลยนี่มันอย่างนี้เรียกว่าใจมันไม่ตั้งอยู่ภายในแล้ว มันทรงไปข้างนอกแล้วมันไม่รู้เท่าทุกข์ใจก็เลยเป็นทุกข์สารวนหม่นหมองไปกับร่างกายนี้เลยเมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าว่าเราควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่เอามันจะเจ็บจะปวดยังไงมันจะร้อนจะหนาวอย่างไรเราก็ควบคุมจิตไี้ให้เพ่งดูทุกข์อันมันปรากฏอยู่ภายในเนี่ย ให้มันเห็นชัดๆอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันเห็นทุกข์อยู่ภายในนี้อย่างเนี้ยมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยเห็นลงไปว่าการที่จิตมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเนี่ยมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆนี่เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วแตแวเราตัวเองแหละควบคุมตัวเองไม่ให้มันหนีทุกข์ เมื่อทุกข์ังเกิดขึ้นแล้วต้องสู้สู้เพื่ออะไรเราเพื่อที่จะให้มันรู้ทุกข์จริงๆแล้วมันจะได้เบื่อมันอย่างนี่แหละแต่ถ้าหนีทุกข์บ่อยๆแล้วมันไม่เบื่อถ้าถ้ากำหนดจิตอยู่ภายในนี่มันรู้แต่เวทนาทุกขเวทน า, ทาต่างๆนี่เอาถ้าได้ส่งใจออกไปคิดโน้นคิดนี่ ไปเพลินกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ลืมทุกข์ไปพักหนึ่งอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นทุกข์เลยมันไม่เห็นทุกข์ทุกมันก็ติดตามไปเราจะส่งจิตไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็ตามเลยทุกมันก็ตามรังควรนไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าส่งจิตหนีไปแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เลยไม่ใช่เพราะมันมันมีสายสัมพันธ์กันอยู่ ถึงจะส่งขิดออกไปข้างนอกนู่นแต่มันก็ยังรู้อยู่ภายในนี่นะ่ะร่างกายนี้แปรปวนไปยังไงมันก็รู้อยู่นย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าสู้เราอดกั้นทนทานอยู่ภายในนี่ไม่ยอมส่งขิตออกไปพักข้างนอกอย่างนี้แหละกาหนดเพ่งดูดูไปดูมามันก็เลยจะเห็นไปว่า มันไม่มีเขาไม่มีเราเป็นทุกข์แล้ววะเนี้่ยมันมีตั้งแต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมเอแปลปวนไปอยู่เท่านั้นเองนะ่ะแล้วมันก็มีวิญญาณนะเอเป็นผู้รับรู้ความแปลปวนของอัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้เช่นมันเจ็บตาวิญญาณตามันก็รับรู้อมันเจ็บหูวิญญาณหูก็รับรู้ความเจ็บหูนั้น มันเจ็บจมูกวิญญาณจมูกมันก็รับรู้มันเจ็บลิ้นวิญญาณลิ้นมันก็รู้มันเจ็บสารพางร่างกายใดส่วนหนึ่งอย่างนี้เนะ่วิญญาณมันก็รับรู้แล้วมันก็ส่งเข้าไปหาดวงจิตนั้นให้จิตรับรู้อีกทีหนึ่งว่าตนเจ็บร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ หรือว่าต้นเจ็บตาเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อ <c oughs> <c oughs> เราเเข่งดูวิญญาณนี้เข้าไปมันก็จะเห็นแจ้งว่าวิญญาณนี้ก็สักแต่ว่าวิญญาณนะสักแต่ว่าความรู้เป็นสภาวะธาตุอันหนึ่งเท่า น, นั้นเองเท่านเรียกว่าวิญญาณธ า, าตุนี่ธาตุแห่งความรู้ นิสัตโตมีใส่สัตว์นิชีโวมีใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าธาตุมัตโกศักแต่ว่าเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเองพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพ่งพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาให้มันเห็นแจ้งในานาในรูปตามเป็นจริงอย่างนี้ ให้มันเห็นลงเป็นสภาวธรรมอย่าให้มันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นถ้ามันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันก็ทกอยู่ร่าไปเลยเจ็บตรงไหนก็ว่าเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงไหนก็ว่าเราปวดตรงนี้มีแต่เรามีแต่เราอยู่อย่างนั้นเลยเออมันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรเรานี่แหละถ้าหากว่าปัญญามันดําเนิน เพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็สอนจิตเลยสอนจิตให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราซะแล้ววันนี้ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นแต่สภาวะธรรมอาศัยกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญบาปนั่นแหละบุญบาปที่ตัวนี้ทํามาแต่ก่อนนั่นแหละเอมันมาอุปถัมภ์บำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ เมื่อหมดเหตุหมดปจัจจัยเรานั้นแล้วรูปกายนี้มันก็แตกดับลงไปนี่มันก็มีเท่านี้เองเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะแต่ว่าคนเรามันไม่ยอมพิจารณานะมันไม่ยอมพิจารณาให้มันรู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจึงวางไม่ได้ตรงไม่ตกวางไม่ลงมันจะวางลงไป ไว้ตามสภาพของมันแล้วทำจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันอุเบกขาได้แต่เวลาที่ร่างกายนี้เป็นปกติอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าร่างกายนี้มันแปลปวนไปที่นี่เอาแล้วอุเบกขาแตกเลยวัเนี้เป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลาย ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายนี่เป็นปกติความรู้สึกต่อร่างกายนี่มันก็เป็นอุเบกขาอยู่งั้นแหละเวลาร่างกายอันนี้มันแปรปวนวันไว้ไปจิตของท่านก็เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนั้นอไม่เศร้าโศกเสียใจกับร่างกายอันนี้นไม่เดือดร้อนอะไรกับร่างกายนี้เพราะอะไ้พิจารณามัน เห็นแจ้งชัดตามมีจริงมาแล้วก่อนที่มันจะวิบัติแปรปรวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาเอาแต่เวลามันวิบัติมันแปรปรวนนี้เท่านั้นเองเวลาปกติก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจอย่างนั้นเรื่อยไปนี่มันมันจึงเป็นเครื่องประกันจิตอันนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้ดังนั้น เราทุกคนนะก็มีจิตใจอันนี้เหมือนกันทั้งนั้นอแล้วก็ต่างคนก็มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้านี่ว่าเป็นนิยานิกระทำนาผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ใครได้จริงๆนี่เราเชื่อกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่ายังสงสัยอยู่นี่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้ <c oughs> อันนี้มันก็นับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรคิดนะบางคนยังสงสัยอยู่อ่ะาสงสัยว่าการปฏิบัติตามพระธรรมไปอย่างนี้มันจะพ้นทุกได้จริงหรืออย่างนี้บางคนอาจสงสัยอยู่ก็ได้เนี่ <c oughs> ดังนั้นต้องย้ํำกับตัวเองให้มันแน่นอนนะว่าตนเองเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าทําคําสอนของพระองค์นี้นะเป็นนิยานิกะธรรมนาผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยได้จริงอย่างนี้นะวันนี้เท่าที่เราปฏิบัติกันมานี่นะเราค้นทุกข์ไปได้มากน้อยเพียงใดอะ่ะออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถ้าหากว่าพิสูจน์ตัวเองไม่ได้การปฏิบัติมานี่มันก็เลยไม่ได้ผลอะไรเลย ไม่ไม่มั่นใจเลยให้พากันเข้าใจเมื่อเราลงปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องมั่นใจให้ได้ที่การที่มันจะมั่นใจได้ก็เพราะว่าไอ้ตนน้อมใจลงสู่ธรรมะของจริงได้จริงจริงธรรมะของจริงปรากฏในใจของตนจริงๆเออย่างนี้เรามันถึงมั่นใจได้ ถ้าน้อมใจลงไปแล้วเห็นแต่ของไม่จริงทำของจริงไม่เห็นเลยอย่างนี้นะมันก็มั่นใจไม่ได้แล้วเมื่อไปเห็นแต่เรื่องไม่จริงมล้วก็จิตใจก็แปรปรวนไปเลยแบบนี้ถ้าน้อมใจลงไปพิจารณาไปพิจารณามาในสุดมันรวบยอดลงได้ว่าความจริงของสังขารร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่สงสัยเลยอย่างนี้นะนี่ เช่ย่งว่าทุกนี่นะเราเรากําหนดรู้อยู่รู้เท่าอยู่ทุกนี่รู้ยังไง ร, รู้เท่ารู้ว่าสังขารขันห้าอันนี้เป็นทุกข์ต่างหากเราไม่ไม่เราไม่ได้เป็นทุกข์คือเราไม่ได้มีอยู่ในขันหานะ้านั้นหรือขันห้าตังหากหรือว่าสังขารต่างหากมันเป็นทุกข์กนี่คําว่ารู้เท่าทุกนะรู้อย่างนี้แหละถ้ารู้อย่างนี้แล้ว จิตมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่ามันก็รู้ทุกคือยู่นั่นแะแต่